คณะปฏิวาติภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือแปดรหนึ่งภิกษุณีบอกแล้วนั่งหรือนอนบนอาศนะสองภิกษุณีนั่งหรือนอนบนอัศนะที่เขาโป้ไว้ประจํา 3. ภิกษุณีผู้เป็นไข้4ีภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง5้ภิกษุณีวิกลจริต 6. กภิกษุณีต้นบัญญัติสิกเขาบทที่6จบ